สเสน่กองขี้คนบางคนจริงๆแล้วไม่ชอบที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากปัญหาถ้าเขาไม่มีปัญหาของตัวเองให้ต้องกังวลพอเขาก็จะเปิดทีวีดูละครนำเน่า เพื่อจะได้เอาปัญหาของตัวละครมาเป็นกังวลบางคนเห็นความกังวลเป็นเรื่องเร้าใจเขามองว่าความทุกข์เป็นเรื่องสนุกเขาไม่อยากมีความสุขนั่นเป็นเพราะเขาติดข้องอยู่กับปัญหาของเขามากเกินไปพระสององค์ เป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดชีวิตเมื่อท่านมรณภาพพระองค์หนึ่งเกิดใหม่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ที่งดงามขณะที่เพื่อนของท่านเกิดเป็นนอนอยู่ในกองที่ในไม่ช้าองค์ที่เป็นเทวดาก็เริ่มคิดถึงเพื่อนเก่าและสงสัยว่าเพื่อนของท่านไปเกิดอยู่แห่งหนตาบลไหน ท่านไม่เห็นเพื่อนในสวรรค์ชั้นที่ท่านอยู่จึงมองไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆด้วยแต่ก็ไม่พบท่านใช้ตาทิ่ค้นหาเพื่อนในโลกมนุษย์แต่ก็ไม่พบอีกเช่นกันท่านมั่นใจว่าเพื่อนของท่านต้องไม่ไปเกิดเป็นสัตว์แน่แต่เอาละ่ะลองเช็คดูสักหน่อย แต่ท่านก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเพื่อนท่านอยู่ดีดังนั้นเทวดาจึงเริ่มค้นหาในโลกที่เราเรียกว่าพวกกระดืบกระดืบและท่านก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากที่ท่านพบว่าเพื่อนของท่านเกิดเป็นนอนอยู่ในกองขี้ที่เหม็นหึงและหน้าขยะขยง ด้วยความผูกพันในมิตรภาพที่แน่นแฟนยิ่งเกินกว่าความตายจะพากได้เทวดารู้สึกว่าท่านจะต้องช่วยเพื่อนก่าของท่านให้พ้นจากการเกิดเป็นนอนที่แสนจะอับโชคนี้ไม่ว่ากรรมอันใดจะนำพาไปก็เถอะดังนั้น ท่านยังปรากฏกายเบื้องหน้ากองขี้โซก็ปลกนั้นและพูดขึ้นว่านี่ท่านนนทรท่านจําเราได้ไหมเราเคยเป็นพระด้วยกันเมื่อชาติที่แล้วและท่านก็เป็นเพื่อนรักที่สุดของเราเวลานี้เราเกิดใหม่ในสวรรค์มีความสุขมากส่วนท่านมาเกิดในกองขี้น่ารังเกียจ แต่อย่าวิตกไปเลยเพราะเราจะพาท่านไปสวรรค์กับเรามาเถอะเพื่อนรักเดี๋ยวก่อนนอนว่าโลกสวรรค์ที่ท่านเล่าชอดๆนะ่ะมันเจ๋งอะไรนักหนา กระผมมีความสุขสุดๆอยู่แล้วในกองขี้ที่แสนอร่อยและหอมกรุนนี้ขอบคุณมากๆเลยครับท่านไม่ก็ใจเทวดาว่าแล้วก็พรรณนาอย่างแยบคายถึงความสุขใจและความสนุกสนานบนสวรรค์ นอนถามขึ้นชนิดตรงเข้าเป้าว่าแล้วบนสวรรค์มีกองขี้ไหมล่ะเทวดาทำจมูกฟุดฟิดแสดงอาการดูถูกย่อมไม่มีแน่นอนถ้างั้นผมก็ไม่มีวันไปนอนพูดอย่างหนักแน่นท่านกลับไปซะเถอะ แล้วมันก็มุดลงกลางกองขี้เทวดาคิดว่าถ้าเพียงแต่หนอนได้เห็นสวรรค์ด้วยตัวเองเมื่อนั้นแหละมันจึงจะเข้าใจดังนั้นเทวดาจึงอุดจมูกไว้และสอดมือนุ่มๆลงไปในกองขี้หน้าขยะขยงนั้นเพื่อควานหาหนอนเมื่อพบแล้ว ท่านก็ดึงมันออกมาเฮ้ hey, อย่ายุ่งกับผมหนอนวอยวายช่วยด้วยไมไดี้ผมถูกลักพาตัวและจนหนอนตัวลื่นก็ดีดดิ้นไปมาจนหลุดออกมาได้แล้วมันก็รีบมุดกลับลงไปซ่อนตัวในกองขี้ทันที เทวดาผู้มีเมตตาจิ้ม น, นิ้วเข้าไปในกองขี้เหม็นๆอีกครั้งจนพบเจ้าหนอนพยายามดึงมันออกมาอีกครั้งท่านเกือบจะได้ตัวมันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ตัวมันเหนียวๆลื่นๆด้วยความโศกโศกและมันก็ไม่อยากจะไปสวรรค์มันจึงหนีไปได้อีกเป็นครั้งที่สองและไปหลบซ่อนอยู่ในกองขี้ลึกไปกว่าเกา่าสีอีก เทวดาพยายามดึงหนอนออกจากกองขี้ที่น่ารังเกียจถึง108ครั้งแต่เจ้าหนอนก็ผูกพันกับกองขี้ที่มันแสนรักนักหนาแล้วมันก็ดิ้นหลุดกลับไปได้ทุกครั้งในที่สุดเทวดาก็ต้องกลับขึ้นสวรรค์ไปโดยทิ้งเจ้าหนอนโง่ไว้กับกองขี้แสนรักของมัน เช่นเดียวกันเรื่องเล่าทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้